ในช่วงคุยกันธรรมะวันนี้วันนี้เราก็ยังอยู่ในรูปแบบอาชีพหน้าที่การงานในเรื่อง ในเรื่องการเรียนๆการที่เราจะประสบความสําเร็จได้อยอย 4 อย่างนะ 4 ประการนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือความขยันในอาชีพการเนี่ยนะคน ในความขยันอาชีพการงานก็คือว่าลุกขึ้นทําอย่างใดอย่าง หรือว่าช่างศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแม้เวลาเค้าใช้พู่กันเนี่ยอ่าวาดไปวาดไปไม่เกียจคร้านด้วยเนี่ยต้องเป็นคนขยัน อ่ะพอเดี๋ยวบอกว่าจะทําโอ้เดี๋ยวหิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินก่อนเดี๋ยวเรานั้นน่ะๆยังทําไม่ได้ซอดซ่องในอุบายต่างๆ การพัฒนาการทําแรงตาให้มันดีขึ้นเอ่อพอทําอย่างนี้แล้วน่าจะทําเองก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าสามารถ รักษาศัพท์นี่เป็นยังไงรักษาศัพท์ก่อนคือโพกคศัพท์ที่ได้มาเนี่ย เราทําเองก็ได้หรือเราเป็นคนแล้วเอ่อเราขยันกันแข็งในหน้าที่การงานอย่างดีได้ซับ ก็หมายว่าคนทํางานในสํานักงานทํางานในออฟฟิศ อ่าตามรักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่นะตามรักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่นี่หมายความว่าไงคุ้มครองจาก การจ่ายภาษีน่ะคุณจ่ายภาษีหรือยังน่ะคุณรู้จักจ่าย การใช้จ่ายในการป้องกันทรัพย์ต้องเสียภาษีนะเพื่อไม่ให้ทางการ มีนิสัยที่ดีมีนิสัยที่ดีไม่ให้มาเป็นทายาทสกุลใดสกุลหนึ่งเนี่ยถ้ามีแกะดํา นะประสบาลีก็ใช้คําว่าอารักขาสัมปทานั่นคืออารักขาคือการรักษานั่นเองอ่าข้อที่ 3 ที่พระบอกว่าจะทํา 4 อย่างของเขาของเขานะจะเป็น 4 อย่างนี้เนี่ยให้คบไว้เลยนะอันดับแรกเนี่ยพระเจ้า 2 คือเป็นคน มีปกติในการที่ไม่ประพฤติผิดในการมีปกติในการที่ไม่แกล้งกล่าวเท็จมีปกติที่ไม่ดื่มสุราเมรัยแต่ จะแบ่งปันให้ปันอะไรเนี่ยเค้าต้องล้างมือก่อนพอที่จะ 4 ก็คือเป็นคนมีปัญญาน่ะปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแต่จะ อ่ะทางออกอะไรเป็นทางตันนะอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความไม่ดีอะไรเป็นสิ่ง หรือว่าแม้คนจะไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายอันนี้เราก็คบก็ได้นั่นก็คือดูที่ 4 อย่างนี้นะศรัทธาศีลจาคะปัญญาของใครมีอยู่เนี่ยเราคบกับคนนั้นนี้ ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือว่าใน 1 สัปดาห์ที่ผ่าน 6 คนแรกเนี่ยคนไหนคนคนคนคนคน 6 คนแรกของคุณเนี่ยในชีวิตของคุณ คน, 6 คนเนี้ยที่ 6 อันดับ เขามีศรัทธามีศีล 10 น่ะให้คะแนนไปแต่ละคนนะคนนี้มีศรัทธาเท่าไหร่คน เปลี่ยนคนที่เราจะ 4 ที่เราต้องรู้จักที่จะทําเพื่อให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จประสบความสุขในปัจจุบันเนี่ยนั้นคือ นะเราต้องรู้ว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วบางคนไม่รู้ด้วยเงินเดือนเนี่ยเท่าไหร่หนึ่งหรือรายรับเราต้องรู้ว่าเรามีเท่า แล้วอย่างบางทีมีภาษีสังคมต่างๆผ่านเข้ามาเนี่ยคุณจะทํายังไงบางทีมีผลิตภัณฑ์อะไรออก การดำรงชีวิตตรงนี้เนี่ยต้องมีความคิดด้วยว่าเอ่อถ้าปัว นะตรงนี้เค้าเรียกว่าพระเจ้าใช้บอกว่าความเป็นอยู่อย่างสม่ําเสมอนั่นเองถ้าเรารู้จักเอ่อใช้ 4 ข้อนี้นะซ้ําอีก นะ, นะ. 4 อย่างนี้อย ขยันนะ 2 คือรู้จักรักษาทรัพย์นะรู้จักเอ่อใช้จ่ายเงินเพื่อรักษา 3 เราต้อง 4 เนี่ยเรา 4 อย่างนี้จะทํา